เวลานี้ยังมีอยู่ในสังคมของพระสงฆ์ขณะหลวงพ่อเองเป็นพระเนี่ยยังถูกเขากระทาพระด้วยกันเนี่ยเอาขี้พึ่งมาปั้นหุน่นเขียนชื่อหลวงพ่อติดเอาไว้แล้วเอาเข็มเสียบตรงหัวใจลงผลสุดท้ายผู้ทาจะตายเสยเองเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าหนังสือแผ่นภัพนี้